อยู่ดีมีสุขแตะตามอัตภาพของนักพลดนักบวดเพราะท่านขอให้ลูกหลานตั้งใจนะอาต่อไปนั่งสมาธิเปิด MP3 ฟังนาะทธนีนะ